วันนี้เป็นวันพุทธที่23่สิจาิกายนพุทธศักราช2565เป็นวันพระเป็นวันละการกระทำบาปทั้งปวงเป็นวันสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม และเป็นวันชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะนี่คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าที่มาตัดสั้และมาเผยแผ่ทำให้แก่สารโลกในยุคใดก็ตาม ในยุกะดีที่ผ่านมาแล้วหรือในยุอนาคตที่จะมาถึงต่อไปคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี้จะสอนเหมือนกันหมดเพราะเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้จิตใจของสัตว์โลกได้หลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งปวงได้ที่จะทำให้จิตใจของสัตว์โลกได้เข้าสู่พระนิพพานได้คือสู่ความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องกำหนดวันพระขึ้นมา เพื่อให้พุทธบุยสัตว์ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีเวลาให้กับการให้กับการปฏิบัติให้แก่จิตใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้พบกับความสุขอันยิ่งใหญ่ ที่ไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้จะมาเสมอเหมือนได้ถ้าไม่มีวันการกำหนดวันพระก็จะไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมกันนั่นเองเนื่องจากจิตใจของสัตว์โลกส่วนมากส่วนใหญ่ จะถูกกำนางของกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาครอบงำจิตใจคอยหลอกคอยล่อให้จิตใจไปแสวงหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกยลิ่นรสโผฏพะชนิดต่างๆ จนทำให้ไม่มีเวลาให้กับการชำระจิตใจให้กับการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับการละการกระทำบาปทั้งปวงนั่นเองจึงจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดวันพระเพื่อให้ศรัทธาญาติโยม ได้ปล่อยวางภารกิจการงานการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิรลดผลธรระกันซึ่งในสมัยก่อนนั้นวันพระนี้ก็จะเป็นวันหยุดทำงานด้วยถึงเป็นวันที่มีเวลาให้กับ การมาศึกษามาปฏิบัติธรรมได้แต่ในยุคปัจจุบันนี <_ S 1> ้เหตุการณ์มันเปลี่ยนไปความสัมพันธ์นกับประเทศต่างๆมีเพิ่มมากขึ้นจนทำให้มีการเปลี่ยนวันหยุดทำงานของศรัทธาญาณโยมไป เมื่อก่อนนี้จะหยุดวันพระวันโกนกันแต่สมัยนี้มาหยุดในวันเสราร์วันอาทิตย์กันจึงทำให้วันพระกับวันโกนนี้ไม่ตรงกับวันหยุดก็เลยทำให้ไม่มีเวลาที่จะมา ศึกษามาปฏิบัติธรรมกันในวันพระนั่นเองเช่นวันนี้เป็นวันพระแต่เป็นวันพุธญาโยมส่วนใหญ่ก็ต้องไปทางานทาการกันเพราะว่าไม่ได้เป็นวันหยุดแล้วพอมาถึงวันหยุดคือวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไม่ได้เป็นวันพระเอง ญาตโ ย, ยก็เลยไม่ได้เข้าวัดกันอีกเพราะวัดท่านก็จัดพิธีศึกษาวิธีปฏิบัติธรรมกันในวันพระกันจึงทำให้โอกาสของการได้ศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมของพุทธบาลศาสต ร, ร์นั้นมีน้อยลงมาก นานๆานจะมีวันพระตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์สักครั้งหนึ่งเท่านั้นที่จะทำให้ศรัทธายาโยมมีเวลาที่จะได้เข้าวัดเพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมกันดังนั้นเพื่อความไม่ขาดทุนในเรื่องของวันพระ สำหรับศรัทธาญาิโยมผู้ที่มีความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องที่จะนำพาสตว์โลกให้ได้พบกับความสุขที่แท้จริงให้ได้หลุดพ้น จากความทุกข์ต่างๆที่กำลังประสบกันอยู่ในขณะนี้จทธาผู้มีความเชื่อมั่นแ น, วน่วแน่ก็ต้องเข้าใจหลักของวันพระว่ามีไว้ทำไมมีเพื่ออะไรและมีไว้เพื่อคือมีไว้เพื่อให้ได้มีเวลา มาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันนั่นเองดังนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนวันพระของศรัทธาญาติโยมจากวันที่กําหนดไว้ในวันขึ้นแรมอย่างวันนี้เป็นวันแรมสิบห้าค่ำอาจจะต้องมาเปลี่ยนวันพระให้เป็นวันที่ตรงกับวันหยุดทํางานของศรัทธาญาติโยม ก็คือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์อันนี้ไม่ได้ให้ไปเปลี่ยนแปลงในปฏิทินแต่ให้เปลี่ยนแปลงความเข้าใจของศรัทธาญาติโยมผู้ฝ่ายธรรมว่าเราต้องมีวันพระตามที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้อาทิตย์ละหนึ่งวันเป็นอย่างน้อยเราต้องหาเวลาที่ว่าง เพื่อที่เราจะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมกันถึงแม้ว่าวัดอาจจะไม่มีกิจกรรมในวันวันเสาร์วันอาทิตย์จะอาจจะไม่มีการแสดงพระธรรมเทศนาอาจจะไม่มีการพาสัทธาตญญิโยมให้ได้ฝึกสมาธิให้ได้รักษาสิงหแปดกันสัตยาธิโยมก็อาจจะต้อง ทำกันเองหรือไปหาวัดที่มีการแสดงธรรมมีการปฏิบัติธรรมในวันเสาร์วันอาทิตย์<ม>เพื่อที่จะได้ไปศึกษาและปฏิบัติธรรมตามความปรารถนาของพระพุทธเจ้าที่ ต้องการให้ชาวพุทธเราทุกคนได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมกันอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อที่จะได้เป็นการสัมผัสรับรู้ถึงผลที่จะเกิดจากการศึกษาและปฏิบัติธรรมว่าเป็นผลที่ให้ความสุข และกำจัดความทุกข์ต่างๆได้ดีกว่าวิธีการกำจัดความทุกข์และสร้างความสุขด้วยการแสวงหาราบยศสรรเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกมือกายกันให้มีวันให้มีสิ่งมาเปรียบเทียบกันระหว่างความสุขทาง ลาบยศสารเสริญทางต า, ตาหูจมูกลิ้นกายกับความสุขที่เกิดจากการละการกระทําบาป ค, ความสุขที่เกิดจากการสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆและความสุขที่เกิดจากการชำระซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ว่าอย่างไหนจะดีกว่ากัน เพราะถ้าไม่มีการกระทาปฏิบัติธรรมตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่รู้ถึงผลอันเลิศอันเป ร, เรืรอที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้สัมผัสได้รับรู้กันได้ครอบครองกันเป็นสมบัติอันล้ำค่าของจิตใจ พระพุทธเจ้าจึงต้องทรงกําหนดวันพระขึ้นมาเดือนหนึ่งก็มีสี่วันด้วยกันทิ้งช่วงกันประมาณทุกเจ็ดวันก็เหมือนกับวันเสาร์อาทิตย์ที่ทิ้งช่วงกันทุกเจ็ดวันเหมือนกันเดือนก็มีประมาณสี่ครั้งเมื่อการเราหยุดทํางานวันพระแต่สมัยนี้เราหยุดทํางานวันเสาร์วันอาทิตย์ เราก็ต้องเอาวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เป็นวันพระของเราถึงแม้ว่าทางการทางคณะสงฆ์ยังไม่ได้ปีการปรับเนื่องจากว่าการจะปรับปลป่ันอะไรที่เป็นธรรมเนียมอันดีงามมาเป็นเวละระยะเวลาอันยาวนานนั้นอาจจะทำได้ยากเพราะจะไปสร้าง ความไม่พอใจให้กับผู้ที่ยังยึดติดอยู่กับเวลาเดิมอยู่แต่เราต้องเข้าใจความหมายของวันพระว่าจุดประสงค์ของวันพระนี้มีไว้เพื่ออะไรจุดประสงค์ของวันพระก็มีไว้เพื่อให้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมกันนั่นเองได้รักษาศีลคือการละการกระทาบาป ได้ทำบุญทำทานคือการสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆและได้ปฏิบัติจิตตะภาวนาที่เป็นการชำระซักฟอกจิตใจให้สะอาดนั่นเองเราต้องเข้าใจจุดประสงค์ของวันพระว่าอยู่ที่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่วันขึ้นวันแรมเจ็ดข้ามแปดข้ามสิบห้าข้ามสิบสี่ข้าม อันนี้เป็นการใช้ปฏิทินในสมัยก่อนแต่ในสมัยนี้เราหันมาใช้ปฏิทินทางสุริยคติและแบ่งเดือนเป็นเป็นวันวันต่างๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็มีเจ็ดวันแล้วก็มากำหนดวันหยุดทำงาน ไห้หยุดทำงานในวันเสาร์วันอาทิตย์กันดังนั้นสำหรับผู้ที่ทำงานและหยุดทำงานเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ต้องเลือกเอาวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี้มาเป็นวันพระมาเป็นวันที่จะต้องเอามาใช้ให้กับการศึกษา และปฏิบัติธรรมตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนสถานที่ที่จะไปศึกษาที่ปฏิบัติในยุคนี้สมัยนี้ก็มีหลายรูปแบบด้วยกันถ้าเราจะไปวัดแต่วัดเขาไม่มีการแสดงธรรมไม่มีการนำให้ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรม มีแต่เฉพาะวันพระแต่ไม่ทรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็ต้องเลือกวัดที่มีการแสดงธรรมมีการปฏิบัติธรรมในวันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าเราต้องการที่จะไปวัดหรือถ้าเราไม่ต้องการไปวัดเรามีสถานที่ของเราเองเพราะว่าคำว่าวัดนี้ในความหมายที่แท้จริงก็คือ เป็นสถานที่สงบนุ่มลื่นที่เอื้อต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติธรรมคสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าเรามีที่ของเราเองมีที่อยู่ที่อาศัยที่สงบที่ไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจไม่มีอะไรมารบกวนการศึกษาการปฏิบัติธรรม เราก็อาจจะอยู่ที่บ้านของเราก็ได้เพราะว่าสมัยนี้ธรรมะก็ไม่ได้อยู่ที่พระแสดงธรรมเพียงที่เดียวเพียงวิธีเดียวเดี๋ยวนี้ธรรมะนี่อยู่ในหลากหลายสื่อด้วยกันมีทั้งหนังสือที่ทัดมาจากพระไตรปิฎก ที่เป็นธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงก็มีหนังสือของพระอริยสงสาวกุกพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายก็มีแล้วก็ยังมีการเข้าถึงสื่อฟังและดูภาพได้ในทางอินเทอร์เน็ตในทางเฟ e บุ๊กในทางยูทูบ เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นธรรมะที่เราสามารถศึกษาได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปวัดเพื่อศึกษาธรรมะเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี้ไม่มีสิ่งเหล่านี้คนที่จะฟังธรรมได้เขาต้องไปวัดกันและจะไปวัดก็ต้องไปวันพระเพราะพระท่านก็จะกำหนดวันแสดงธรรมในวันพระ พรานอกจากกิจของพระที่ต้องมาแสดงธรรมสั่งสอนญาติโยมพระท่านก็มีกิจของท่านที่ท่านจะต้องทําเช่นเดียวกันท่านก็ต้องศึกษาท่านก็ต้องปฏิบัติธรรมของท่านเหมือนกันดังนั้นท่านจึงไม่สามารถที่จะแสดงธรรมให้กับญาติโยมได้ทุกเวลาที่ญาติโยมต้องการจะฟังหรือต้องมีการกําหนดตารางเวลาให้กับผู้ที่อยากจะศึกษา อยากจะปฏิบัติทมก็ amine, เลยนัดกันให้เป็นวันพระตามปฏิทินสมัยก่อนก็คือวันขึ้นแรมเจ็ดแปดค่ำเจ็ดค่ำสิบห้าค่ำสิบสี่ค่ำนี้เป็นต้นนี่คือเรื่องของวันพระที่ในยุคนี้สมัยนี้มันมันไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของสังคม สังคมนี้หยุดทํางานในวันเสาร์วันอาทิตย์กันพอวันพระมันไม่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ก็หยุดทํางานไม่ได้ให้ศึกษาไปปฏิบัติธรรมไม่ได้ดังนั้นญาติโยมที่ฉลาดผู้ที่เห็นคุณค่าของพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าก็ต้องรู้จักการปรับเปลี่ยนวันพระของตนเองให้เหมาะสมกับสภาพ ของตนเองวันไหนที่เป็นวันที่ว่างจากภารกิจการงานต่างๆวันนั้นควรจะเป็นวันพระเพราะจะได้มีเวลาศึกษาและปฏิบัติธรรมกันทั้งวันทั้งคืนการจะศึกษาการปฏิบัติธรรมที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมายําเป็นที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำเป็นเพียง ครังละนิดครั้งน้อยหน่อยถ้าอย่างนั้นแล้วผลมักจะไม่เกิดขึ้นมาพอผลไม่เกิดความศรัทธาเริ่มใสก็จะลดน้อยถอยลงได้เพราะว่าไม่รู้ปฏิบัติไปแล้วได้อะไรปฏิบัติไปทำไมยิ่งมีกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาคอยหลอกล่ออยู่เรื่อยว่าไปเที่ยวกันดีกว่า ไปดูหนังฟังเพลงกันดีกว่าไปดูการแข่งขันกีฬาต่างๆกันดีกว่ามีความสุขมีความเพลิดเพลิน ม, มันเทิงใจไหนๆวันหยุดแล้วก็ต้องมีการพักผ่อนหย่อนใจทำงานก็เครียดมาหวันแล้ววันหยุดพักผ่อนก็มาปฏิบัติธรรมก็รู้สึกเพิ่มความเครียดให้ พราการปฏิบัติในครั้งแรกๆนี้จะเป็นของที่รู้สึกยากและรู้สึกที่จะต้องต่อสู้กับกิเลสตัณหาพอสมควรก็อาจจะทำให้เกิดความตึงเครียดขึ้นมาจากการปฏิบัติได้ก็เลยอาจจะทำให้ไม่อยากจะปฏิบัติกันไม่อยากจะศึกษาธรรมะกันถ้าไม่เข้มแข็งไม่อดทน ถ้าไม่มีความแน่วแน่ต่อการปฏิบัติตามคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติก็อาจจะเลือกไปเลอกปฏิบัติไปก็ได้เพราะว่าปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลเพราะไม่รู้ว่าการจะปฏิบัติที่จะได้ผลนี้จาเป็นที่จะต้องปฏิบัติ มากพอสมควรอย่างน้อยช่วงวันหยุดนี้ก็ต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนหนึ่งวันกับหนึ่งคืนเช่นเราเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์สมมติถ้าเป็นวันอาทิตย์วันหยุดเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่เช้าของวันอาทิตย์แล้วก็ปฏิบัติศึกษาไปจนถึงวันรุ่งขึ้นเช้าวันจันทร์เรียกว่าครบหนึ่งวันหนึ่งคืนพอเช้าวันจันทร์เราก็ เตรียมตัวไปทำงานต่อได้ทำงานไปจนถึงวันศุกร์พอวันเสาร์ถ้าอยากจะใช้วันเสาร์ทำภารกิจอย่างอื่นก็ยังมีวันหนึ่งให้ทำอาจจะมีภารกิจที่ต้องทำที่ไม่สามารถทำได้ในวันเสาร์วันในวันทำงานก็เอาวันหยุดสองวันนี้มาวันหนึ่งมาให้กับภารกิจอื่นๆแล้วก็เอาวันวันอาทิตย์ เป็นวันที่เราจะมาทำภารกิจทางศาสนากันถ้าเราสามารถปรับรูปแบบของการปฏิบัติการศึกษาธรรมในวันที่เราไม่ต้องทำงานได้เราก็จะมีวันพระของเรามีวันที่เราจะได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ แล้วถ้าเราได้ทำอย่างนี้รับรองได้ว่าจะต้องได้รับสัมผัสกับผลบ้างไม่มากก็น้อยแล้วพอได้รับสัมผัสกับผลแล้วเห็นว่ามีคุณค่ามากยิ่งกว่าผลที่เราได้รับจากการหาราบยศสริเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เราก็อาจจะมีความยินดีมีฉันทะความยินดีที่จะศึกษาและปฏิบัติให้มากขึ้นก็ได้เพราะเมื่อได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมแล้วเราจะรู้ว่ารถแห่งธรรมนี้เหนือกว่ารถทั้งปวงเหนือกว่ารถของลาบยศสรเสริญของลูกเสียงกกิดรถโพะเอพ เมื่อเอารถแห่งธรรมมาเปรียบเทียบกับลาบคือเงินทองได้เงินทองมากี่ร้อยล้านพันล้านเมื่อมาเปรียบเทียบกับผลที่ได้รับจากการสัมผัสกับรถแห่งธรรมแล้วเงินทองนั้นไม่ไม่มีความหมายเลยหรือได้ยศได้ตำแหน่งต่างๆจะได้ตาแหน่งสูงส่งมากน้อยเพียงไรถ้ามาถ้ามาเปรียบเทียบกับ ความสุขที่ได้รับจากการสัมผัสกับรสแห่งธรรมแล้วมันก็เป็นคนละคนละโลกไปเลยสรรเสริญก็เช่นเดียวกันความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระก็เหมือนกันของเหล่า น, นี้เมื่อมาเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้รับจากรสแห่งธรรมแล้วต่างกาันฟ้ากับดินเลยนะผลข้างเคียงผลที่จะ เกิดตามมาก็ต่างกันมากเพราะว่าความสุขที่ได้จากทางราบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกนิ้วกายนี้มันเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนควันไฟพอมันจางหายไปมันก็ทำให้ใจรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายขึ้นมาต้องไปหามาเพิ่มมาเติมใหม่อยู่เรื่อย แล้ถ้าไม่สามารถหามาเพิ่มหามาเติมได้ก็ไม่สามารถกําจัดความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายไ ด, ได้และอาจจะเพิ่มความรู้สึกซึมเศร้าเพิ่มขึ้นมาตามลำดับก็ได้ด้วยอันนี้เป็นผลที่เราไม่ปรารถนากันที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไปแสวงหาความสุขทาง ราบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแต่ความสุขที่เราได้จากทางธรรมนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันจะอยู่กับเราไปเป็นเวลายาวนานถึงแม้มันจะจางไปบ้างถึงแม้มันจะจางไปเพราะมันก็ยังเป็นความสุขที่ยังไม่มีความไม่มีน้ำหนักมากพอแต่เวลามันจางไปมันก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอ้างว้างปากเดียวเดียวได้ ไม่รู้สึกทรมานใจนะมันก็แล้วมันก็ทำให้เราอยากจะทำเพิ่มมากขึ้นไปอีกต่อไปอันนี้วิธีการหาความสุขก็ง่ายกว่ากันคือถ้าเราหาความสุขทางราบยศเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ต้องทำงานทำการกันเนหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า เพอที่จะได้เงินได้ทองได้ตำแหน่งได้อะไรต่างๆมาแต่การหาลแถแห่งธรรมนี้เราไม่ต้องทำงานทำการเราเพียงแต่มาถือศีลแล้วก็มาเจริญสติมาควบคุมใจของเราให้สงบเท่านั้นเองไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินใช้ทองไม่ต้องไปทำงานทำการอะไร อันนี้เป็นความแตกต่างกันระหว่างรถแห่งธรรมกับรถของราบยศสลรเสริญสุขเมื่อถ้าเราได้ลองสัมผัสกับรถแห่งธรรมคือความสงบแม้เพียงแต่เป็นเพียงชั่วขณะเดียวก็ตามเถิดมันจะเกิดความประทับใจจนทำให้อยากจะได้สัมผัสกับความสุขของรถแห่งธรรมไปเรื่อยๆ ถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วได้สัมผัสกับผลเป็นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น่ะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับสิ่งที่ล่อใจให้อยากจะได้ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะเริ่มวางแผนที่จะต้องหาเวลามาให้กับการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นก็ จ, จะลดเวลาการทำงานให้น้อยลง เพราะว่าถ้าได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมและอยากจะได้รถแห่งธรรมมาให้ความสุขก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายเมื่อไม่จําเป็นที่จะต้องหาลาบยศสรรเสริญสุขก็จะทําให้ไม่จําเป็นที่จะต้องทํางานให้มากมายอาจจะทําเพียงแต่เพื่อ ให้ได้มาซึ่งปัจจัยสี่เท่านั้นก็พอโดยร่างกายยังต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคอยู่<ม>ก็จะทำเพียงแค่นี้ก็พอทำเพื่อให้มีพอมีพอกินถ้าทำมาหากินเพื่อให้พอมีพอกินนี้อาจจะไม่ต้องทามากก็ได้อาจจะทำอาทิตย์ละวันสองวันก็ได้ พอได้รายได้มาพอจุนเจือร่างกายได้โดยเฉพาะถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วก็จะไม่ต้องใช้ปัจจัยสี่มากมายนะักสามารถใช้หลักมากน้อยสันโดษในการเลี้ยงดูร่างกายได้ร่างกายนี้ไม่ต้องการของฟุ่มเฟือยไม่ต้องการของหรูหรา ไม่ต้องการของแพงๆเพื่อมาบำรุงบำรเลอร่างกายนี้สามารถบำรุงบำเลอรร่างกายด้วยของปกติของที่ไม่หรูหราของที่ไม่ฟุ่มเฟือยของที่ไม่มีราคาแพงๆก็สามารถที่จะดูแลร่างกายได้เหมือนกันถ้าเราใช้หมักน้อยสันโดษในการเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็จะเห็นว่า การที่จะต้องหาเงินหาทางเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูร่างกายนั้นมันใช้น้อยมากต้องการน้อยมากเมื่อต้องการน้อยมากก็ก็หาทำงานน้อยลงไปได้แล้วก็จะทำมีเวลาว่างมากขึ้นมีเวลาที่จะนำเอาไปให้กับการศึกษากับการปฏิบัติทําได้ น, นี่คือ เรื่องของวันพระว่าทำไมจำเป็นจะต้องมีวันพระเพราะว่าถ้าไม่มีวันพระแล้วพุทธศายาโยมพุทธบริษัทนี้จะไม่มีเวลาได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติธรรมกันเพื่อให้ได้สัมผัสลดแห่งธรรมอาจจะทำได้ก็เพียงแต่ทำบุญใส่บาตรตอนเช้าหรือถ้ามีโอกาสมาวัดก็เพียงแต่มากราบขอพอรเงนินแล้วก็บอยจาคเงินกันเล็กน้อย ก็จะทำได้เพียงเท่านั้นเพราะว่าจะไม่ได้มีเวลาที่จะมาใช้กับการศึกษากับการปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างเต็มรูปแบบอย่างน้อยก็หนึ่งวันกับหนึ่งคืนโอกาสที่จะทำอย่างนี้มันจะไม่มีถ้าเราไม่มีวันพระกันนี่คือเรื่องของ ของวันพระที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดขึ้นมาเพื่อให้พุทธบริษัทได้ศึกษาได้ปฏิบัติกันอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยก็พหนึ่งวันกับหนึ่งคืนเพื่อที่จะได้มีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับลถแห่งธรรมคือลถของความสงบนี้เพราะการที่จะทำให้จิตใจสงบได้นี้ จำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทำที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในขั้นเริ่มต้นก็คือสตินี้สตินี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติธรรมต่อการชำระใจให้สะอาดบริสุดกํากำจัดความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจที่เป็นเหตุของความทุกข์ของของใจกัน ยังเป็นที่จะต้องมีการเจริญสติและมีการรักษาศีลอย่างน้อยก็ศีล8ดขึ้นไปศีลห้า น, นี้จะมีกำลังไม่พอที่จะสนับสนุนการเจริญสติการชำระจิตใจให้สะอาดโดยสุดศีลห้า น, นี้มีไว้สำหรับรักษาวันธรรมดาแบบวันที่ไม่ได้มีการปฏิบัติธรรม สินนี้จําเป็นจะต้องรักษาตลอดเวลาเพราะว่าศินหานี้เป็นการป้องกันไม่ให้จิตใจตกต่ําจิตใจของพวกเรานี้ก็ยังมีความสามารถที่จะลงต่ําได้หรือที่จะขึ้นสูงได้ขึ้นอยู่กับการกระทําของจิตใจ ถ้าทำบาปก็จะดึงให้จิตใจลงต่ำกว่าสถานภาพที่เป็นอยู่ในขณะนี้สถานภาพของพวกเราในขณะนี้เรียกว่าเป็นสถานภาพของมนุษย์มนุษย์นี่เป็นหนึ่งในสถานภาพของจิตใจซึ่งมีหลายระดับที่สูงกว่าของมนุษย์ก็มีและมีหลายระดับที่ต่ากว่ามนุษย์ก็มี สำหรับมนุษย์นี้ถือว่าเป็นระดับที่ปานกลางไม่ดีไม่ชั่อไม่สุขไม่ทุกข์แต่ถ้าต้องการที่จะพัฒนาจิตใจให้ขึ้นสูงไปจนถึงขั้นสูงสุดเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงจาเป็นที่จะต้อง มีการรักษาศีลในเบื้องต้นก่อนศีลห้าคือมีการละ ก, การกระทำบาปก่อน<ม>เพราะว่าถ้าไม่ละ ก, การกระทำบาปนี้จะดึงจิตใจขึ้นสูงไม่ได้เพราะมีบาปนี้คอยดึงจิตใจให้ลงต่ำพระอุทเจารดึงต้องสอนข้อแรกว่าให้ละ ก, การกระทำบาปทั้งปวงการกระทำบาปนี้ก็คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์ การประพฤติผิดประเพณีแล้วก็การโกหกหลอกลวงแล้วก็การดื่มสุรายาเมาที่ความจริงไม่ได้เป็นบาปแต่เป็นอบายามุขที่ไม่ควรจะเสกเพราะการเสพสุรายาเมาอบายามุขนี้จะทําให้กระทําบาปได้ง่ายเพราะเวลาดื่มสุราแล้วจะอาการมึนเมาเกิดอาการมึนเมา จะไม่มีสติประครับประคองจิตใจไม่มีสติที่คอยยับยั้งจิตใจเวลาที่ยะนึกคิดจะไปพูดหรือกระทำบาปก็จะไม่มีอะไรมาคอยยับยัง้งจะขาดฮิริโอตตปะเวลาเกิดการมึนเมาฮิริก็คือความละอายของในการกระทำบาปและโอตตปะคือความกลัวผลของบาป ท, ที่จะตามมา พระพุธเจ้าเลต้องห้ามไม่ให้เสพอบายามุกด้วยอบายามุกแปลว่าอะไรอบายก็คือสถานภาพของจิตใจที่ต่ำกว่ามนุษย์มีอยู่สี่คือเดรัจฉานเปรตอสุอสรกายนั่ น, นรกมุกก็คือทวานนึกทางเข้านั่นเองอบายามุกก็คือการไปอยู่ที่ทวานบากทวานของอบายนั่นเองกำลังจะเข้าแล้ โอกาสที่จะเข้ามันจะง่ายกว่าเวลาที่เราอยู่ไกลจากทางเข้าของมันพออยู่หน้าพอเผลอแป๊บเดียวก็อาจจะถูกมันดูดเข้าไปเลยก็ได้ท่านยังเรียกว่าอบา ย, ยมุขทางเข้าทางไปสู่อบายทางเข้าอบายในอบายก็มีอยู่สี่ชั้นชั้นเดละฉานชั้นเปนชั้นอสุรกายและชั้นนรก ผู้ที่จะไปอบายก็คือผู้ที่กระทำบาปพอเสรอบายมุกแล้วมันจะทำให้การกระทำบาปนี้มันง่ายเช่นดื่มชโลายามาแล้วเดี๋ยวเกิดอาการคุ้มค้ั่งขึ้นมาก็อาจจะเกิดการทะเลาะวิวาสเกิดการทาร้ายร่างกายหรืออาจจะเกิดการฆ่ากันขึ้นมาก็ได้นี่แหละคือทำไมอบายมุกถึงเรียกว่าเป็นอบายมุก การกระทําที่อยู่ทางเข้าของอบายนั่นเองแต่คนที่ไม่เสบบายยมุกเช่นสุรานี้ก็จะยากต่อการที่จะไปกระทําบาปเพราะมีสติรู้ผิดรู้ถูกดีชั่วพอรู้ว่าจะไปมีเรื่องมีราวก็ระ ง, งับเสียพอรู้ว่าจะมีเรื่องมีราที่จะต้องไปทําร้ายกันก็ระ ง, งับเสีย เมื่อไม่ได้เมื่อละงับได้ไม่ทำบาปได้การจะไปในอบายก็ไปไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าเลยต้องสอนให้เราละทั้งละทั้งบาปและอบายามุกอบายามุกนี้ก็มีอยู่ห้าข้อด้วยกันข้อหนึ่งก็คือการดื่มสุรายาเมาเดื่มแล้วจะทำให้เราขาดสติเราจะไปทำ บ, บาปได้ง่ายข้อสองก็คือการเล่นการพนัน ถ้าเราเล่นการพนันแบบเป็นนิสัยไม่ทำการทำงานเอาแต่เล่นการพนันเพื่อหวังเอารายได้จากการพนันนี้ไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องขาดทุนเราก็ต้องหมดตัวเพราะการเล่นมันก็มีทั้งกาไรและขาดทุนเวลากาไรก็อยากจะเล่นต่อแล้วอยากจะเล่นให้มากขึ้นเพราะคิดว่ า, เ, าเรากาไรแล้วเราสามารถ เ, าเล่นมากๆได้ เราเราจะได้มากขึ้นแต่มันก็ไม่แน่เสมอไปไม่ช้าก็เร็วก็ต้องขาดทุนพอขาดทุนก็อยากจะได้คืนก็เล่นต่ออกีกพอเล่นจนกระทั่งไม่มีเงินจะเล่นก็อาจจะต้องขายทรัพย์สินขายทรัพย์สินแล้วยังไม่พอก็อาจจะต้องขายบ้านขายช่องขายที่ดินขายหมดของไหนมีอะไรที่ขายได้จะขายหมดท่านบอกว่า ภัยของของโจรผู้ร้ายนี้มันไม่ร้ายเท่ากับภัยของการเล่นการพนันเวลาโจรผู้ร้ายขึ้นบ้านมันก็ขนแต่ข้าวแต่ของไปได้เท่านั้นเองแล้วก็ภัยของไฟไหม้บ้านก็ไม่ร้ายเท่ากับภัยของการเล่นการพนันเพราะเวลาไฟไหม้มันก็ไหม้ได้แต่บ้านไหม้ได้แต่ข้าวของทรัพย์สินแต่มันไหม้ที่ดินไปไม่ได้ แต่ภัยของการพนันนี่มันเอาไปหมดเลยทั้งทรัพย์สินทั้งบ้านทั้งที่ดินขายหมดเพื่อที่จะเอาไปแล้วเอามาเล่นต่อแล้วพอหมดแล้วทีนี้ก็ไปกู้หนี้ยืมสินไปหลอกลวงคนอื่นขอยืมเงินเข้ามาเพื่อหวังว่าจะได้ได้กำไรแล้วจะได้เอาไปคืนแต่มันก็เล่นไปเดี๋ยวมันก็หมดอีกหมดแล้วก็ ทีนี้อยากจะต้องเล่นต่ออีกเพราะอยู่เฉยๆไม่ได้มันติดเวลาไม่ได้เล่นการพ น, นันนี้เหมือนคนเวลาดื่มสุราเวลาไม่ได้ดื่นสุรานี้มือไม้สั่นหมดคนเล่นการพนันก็แบบเดียวกันทีนี้ก็ต้องไปรักทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อจะได้เอาทรัพย์มาเล่นการพนันต่อหรือเล่นการพนันแล้วติดเขาไว้ก่อนพอติดแล้วก็ต้องคืนเขาพอเล่นแล้วแพ้ไม่มีงเงินแน่น ก็ต้องไปป้นไปที่ธนาคารบ้างไปป้นไปที่ร้านทองบ้างเพื่อที่จะได้เอาเงินทองมาใช้หนี้การพ น, นันอีกอันนี้แหละทําไมอบายามุกถึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเสกกันว่ามันจะทําให้เราไม่ช้าก็เร็วจําเป็นจะต้องไปทําบาปเพราะว่าอบายามุกนี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายพอหมด เงินทองแล้วก็ต้องไปหาโดยวิธีมิชอบกันสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวเตะก็เหมือนกันการเที่ยวก็มีแต่การเสียเงินทองไม่มีไรายได้ถ้าเที่ยวมากๆต่อไปเงินทองก็ไม่พอใช้ได้ก็อาจจะต้องไปหาวิธีมิชอบไปทำไปช่อโกงไปหลอกลวงสมัยนี้เราคงได้ยินข่าวมีการหลอกลวงกันอยู่เรื่อยๆ หลกลวงอย่างง่ายดายด้วยสมัยนี้ใช้โทรศัพท์นี่คุยหลอกกันหลอกอย่างที่เราคงได้ยิน call center ต่างๆอะไรพวกนี้พวกนี้ก็เป็นพวกที่หาเงินโดยมิชอบนะงั้น <c oughs> อย่ า, อ ย, าอย่าไปเที่ยวมาก <c oughs> เกินไปเที่ยวพอหอมปากหอมคอพอพอเป็นการผ่อนคลายต้องมีกรอบมีเหตุมีผลหรือถ้า เป็นไปได้ก็อยากไปเที่ยวเลยดีกว่าเอาเวลาไปเที่ยวนี้ให้กับการไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมดีกว่าจะปลอดภัยจะรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ไว้ได้แล้วก็จะได้ธรรมะอันประเสริฐมาให้ความสุดปบายมุขข้อที่สี่ก็คือความเกียดค้านความเกียดค้านก็ไม่ได้เป็นเหตุที่จะนำให้เรามีทรัพย์มีแต่จะให้เราเสียทรัพย์ เพราะถ้าเราขี้เกียจไปทำงานแต่เรายังมีรายจ่ายเราก็ต้องใช้เงินใช้ทองเมื่อ <c oughs> ใช้เงินใช้ทองที่มีอยู่ <c oughs> เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็หมดไม่พอใช้ใช <c oughs> ก็ต้องไปทำบาปองเพราะขี้เกียจทำงาน <c oughs> แล้วข้อที่ห้าของอบายามุกก็คือการไม่การคบคนที่ชอบอบายามุกเป็นมิตร ถ้าเราไปคบกับคนที่ชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราชอบคนเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันชอบเที่ยวเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวชอบความเกียจคร้านเขาก็จะชวนเราให้เกียจคร้านด้วยถ้าคบคนแบบนี้ก็มีแต่จะถูกฉุดลากเข้าอวบายนั่นเองดั <c oughs> งนั้นจึงต้องระงับการกระทําบาปและ อบายมุกให้ได้เพื่อจะยัดปิดกั้นไม่ให้จิตใจลงต่ำเพราะจิตใจนี้สามารถลงต่ำได้จากการทำบาปถ้าทำบาปด้วยความหลงก็จะไปเป็นเดรัจฉานทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอะสุนลกายทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทความโกรธ เกลยความเกลียดชังก็จะไปนรกเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราสามารถห้ามใจเราได้ด้วยการกระทำสองข้อสองอย่างนี้คือไม่เสพอบายามุขและไม่กระทำบาปคือรักษาสินห้าให้มั่นคงให้ได้พยายามรักษาสินห้าให้ได้ตลอดเวลา <c oughs> แล้วเราก็จะไม่ต้องลงไปในอบาย จิตของเราจะมีแต่ขึ้นสูงแล้วเรากันไม่ให้มันลงต่ำได้และด้วยการไม่เสพเยอะไม่ไม่กระทําบาปและอบายมุทีนี้ถ้าเราอยากจะให้มันขึ้นสูงนี้เราก็ต้องมีการกระทําที่จะดึงใจให้ขึ้นสูงพระพุทธเจ้าก็เลยสอนข้อที่สองให้เราสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพรอให้ทาความดีนี่ บุญก็คือการทำความดีคือการทำประโยชน์สุขให้กับผู้อื่นถึงนี่จะเรียกว่าบุญการกระทาที่เราทำนี้มันมีอยู่สามลักษณะด้วยกันการกระทาที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับผู้อื่นนี่เราเรียกว่าบุญการกระทาที่เป็นโทษกับผู้อื่นนี่เราเรียกว่าบาปและการกระทาที่ไม่เป็นคุณไม่เป็นโทษกับผู้อื่นเราเรียกว่าเป็น การกระทำที่เป็นกลางๆไม่มีไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญเช่นการกระทำะรายให้กับร่างกายเราเช่นอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารอย่างนี้เป็นการกระทำที่ไม่ได้ไปสร้างคุณสร้างโทษให้แก่ผู้อื่นเราก็เรียกว่าเป็นการกระทำกลางๆ ก, การกระทำแบบนี้จะไม่สามารถยกใจให้ขึ้นสูงได้ หรือ ด, ดึงใจให้ลงต่ำได้เพราะเราไม่ได้ทำบาปเราไม่ได้ทำบุญถ้าเราอยากจะยกใจให้ขึ้นสูงเราก็ต้องทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเช่นตอบแทนบุญคุณกับท่านที่มีพระคุณกับเราเช่นบิดามารดาเวลาที่เราไปดูแลเลี้ยงดูบิดามารดาของเราโดยเฉพาะในช่วงที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วอยู่ในสภาพ ที่ดูแลตัวเองไม่ได้เราเป็นลูกถ้าเรามีความกระตันยูกตวเวทีเราสำนึกถึงพระคุณของบิดามารดาของเราแล้วก็เห็นว่าท่านต้องการความช่วยเหลือจากเราเราก็รีบไปทําเถิดตาะนี้แหละคือการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ได้หมายความว่าการสร้างบุญสร้างกุศลนี้ต้องไปทํากับพระาศาสนาต้องไปที่วัดต้องไปทากับพระทำกับวัดเพียงอย่างเดียว การสร้างบุญสร้างกุศลนี้ถ้าเป็นคุณเป็นประโยชน์กับผู้อื่นนี้เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลได้ทั้งนั้นได้บุญเหมือนกันยกระดับจิตใจให้ขึ้นสูงได้เหมือนกันทําบุญกับพระกับวัดก็จะดึงจิตใจให้ขึ้นไปเป็นเทพได้เหมือนกับการทําบุญกับผู้ทําบุญกับบิดามารดาก็ได้บุญเหมือนกันโดยเฉพาะบิดามารดานี้ถือว่าได้บุญมากด้วยซ้ําไป พระบิดามารดาเป็นผู้มีพระคุณกับลูกพระพุทธเจ้าทรงเปรียบพระบิดามารดานี้เป็นเหมือนพระอหรหันต์ของลูกๆทำบุญกับบิดามารดานี้ถือว่าได้ทำกับพระอหรหันต์ได้บุญได้กุศลมากได้ขึ้นสวรรค์ชั้นสูงอันนี้คือการสร้างบุญสร้างกุศลมีหลายรูปแบบด้วยกันไม่ใช่แต่เฉพาะทำกับผู้มีพระคุณ นอกจากผู้มีพระคุณแล้วทํากับศาสนาแล้วเราก็ทํากับผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเหนือดร้อนก็ได้เช่นคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไปทําบุญที่โรงพยาบาลให้โรงพยาบาลเขามีอยู่มียามีเครื่องไม้เครื่องมือมีหมอที่จะมาคอยรักษาพยาบาลคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยทําบุญกับโรงพยาบาลทําบุญกับโรงเรียนโรงเรียนก็ต้องมีหน้าที่สั่งสอนเด็ก เด็กก็ไม่ใช่จะเป็นเด็กที่มีเงินทองทุกคนที่จะจ่ายค่าเลาเรียนได้ก็ต้องมีโรงเรียนที่ไม่คิดค่าเล่าเรียนโรงเรียนของรัฐบาลแต่งบประมาณก็อาจจะไม่มากอาจจะไม่พอเพียงแล้วก็ไปสนับสนุนให้โรงเรียนได้มีสิ่งที่เขาขาดตกบกพร่องที่ถ้าไม่สามารถขอจากงบประมาณได้เพื่อที่จะได้สั่งสอนเด็กให้รู้จัก ให้มีความรู้เพื่อที่เขาจะได้เอาไปดูแลเลี้ยงดูตัวเขาเองต่อไปไม่ไปเป็นภาระของสังคมไม่ไปทำไปทำเหตุวุ่นวายให้กับสังคมถ้ามีการศึกษาแล้วจะรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ช่วก็จะตั้งตนอยู่ในความสงบอยู่ภายใต้หลักของกฎหมายไม่ไปสร้างความเสียหายหเดือดร้อนให้แก่ผู้นี่ก็คือการสร้างบุญ กุศลต่างๆนอกจากนั้นก็ยังมีสร้างบุญกับสัตว์ที่เราได้ยินเสียงนี่เราก็เลี้ยงสัตว์ตจอดจัดสุนัขแมวไม่มีที่อยู่ที่อาศัยไม่มีอาหารรับประทานเราเจอเขาสงสารเราก็เอามาเลี้ยงหรือเราจะไป <c oughs> ช่วยสัตว์ที่เขาจะถูกฆ่าก็ได้เป็นไปซื้อปลาในตลาดบูปลา สัตว์อะไรต่างๆที่ขายในตลาดที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าเราไปซื้อมาแล้วเรามาปล่อยให้เขากลับคืนสู่อิสรภาพของเขาอันนี้เราก็ได้ทำบุญทำกุศลเพราะเราทำคุณทำประโยชน์ให้กับสัตว์ไปถ่ายชีวิตวั ว, ว, วควายนี้เป็นต้นนังเรื่องของการทำบุญทำกุศลนี้มีหลากหลายวิธีด้วยกันเราให้เราคิดถึงหลักง่ายๆว่า คือการทําคุณทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นก็แล้วกันไม่ว่าผู้อื่นนั้นจะเป็นใครก็ตามจะเป็นพระจะเป็นคารวะญาติโยมจะเป็นสัตว์เดรัจฉานทําได้ทั้งนั้นได้ได้บุญเหมือนกันเป็นวิธียกระดับจิตใจให้ขึ้นสูงขึ้นจากมนุษย์เราก็จะได้กลายเป็นเทวดาไปถ้าเราได้ทําบุญทําทานอยู่เรื่อยๆและรักษาสี่ง เราต้องรักษาศีลให้ได้เพราะไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราทำบาปบาปมันมากกว่ากำลังของบุญบาปมันจะดึงให้เราลงต่ำบุญยังไม่มีโอกาสที่จ ะ, สะแสดงผลได้เพราะว่าบาปมันมามีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงใจเราให้ไปอาบายก่อนได้แต่ถ้าเรารักษาศีลได้ไม่ไม่บกพร่องโอกาสที่จะตกลงไปอาบายก็จะไม่มี เมื่อไม่ตกลงไปอบายบุญมันก็จะมีกำลังที่จะดึงเราให้ขึ้นสูงไปได้ขึ้นไปสูงถึงขั้นมันมีหกขั้นด้วยกันขึ้นอยู่ที่ว่าเราทำมากทําน้อยตามกำลังทรัพย์ของเราอาจจะแบ่งเป็นหกส่วนของทรัพสมบัติที่เรามีอยู่ถ้าเราทาหนึ่งในหกเราก็ได้ขั้นที่หนึ่งทาสองในหเราก็ได้ขั้นที่สองถ้าเราทำหกในหเลยบมดเลยเช่นคนไปบวชนี เขามีสมบัติเงินทองเท่าไหร่เขาก็ยกให้คนอื่นไปหมดเลยอันนี้เขาก็ถือว่าเขาได้ขึ้นไปถึงขั้นสูงสุดของการเป็นเทพแนละ้วนักบวชพร้อมที่จะเข้าสู่ระดับที่สูงกว่าระดับของเทพก็คือระดับของพรหมสวรรค์นี้มีหลายระดับด้วยกันสวรรค์ชั้นเทพก็มีหระดับแล้วสวรรค์ชั้นพรหมก็มีแบ่งเป็นสองระดับใหญ่ๆ รูปประพรมกับรูปประมการที่จะไปถึงรูปประพรมได้นี่ขั้นต้นก็ต้องผ่านนี่สวรรค์ชั้นที่หกของชั้นเท่ก่อนด้วยการสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่ไปหมดให้หมดเลยอยาให้ใครก็ได้ไม่สำคัญให้ภรรยาให้ลูกให้สามีให้บิดามารดาหรือให้ใครก็ได้ที่เราต้องการจะให้ขอให้เราให้ให้หมดก็แล้วกัน เมื่อเราให้หมดแล้วเราก็ไม่มีเงินทองนะทีนี้เราก็พร้อมที่จะไปอยู่แบบนักบวชได้ทีนี้พอเราไปบวชแล้วทีนี้เราก็จะมีโอกาสที่จะขึ้นสู่ระดับของพรหมได้แต่การที่จะขึ้นสู่ระดับของพรหมได้นี้เราก็ต้องเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้ามาเป็นศีลแปดเป็นอย่างน้อยไม่ศีลแปดก็ศีลสิบศีสองร้อยยี่สิบเจ็ดศีลสามร้อยกว่าข้อ ขึ้นอยู่กับสถานภาพของการบวชของเราถ้าเราบวชเป็นแบบอุบาสกอุบาสิกาเราก็ถือศีลแปดหรือเป็นแม่ชีก็ถือศีลสิบสามเณรก็ถือศีลสิบได้แล้วก็ถ้าเป็นพระก็ศีลสอง้อยยิบเจ็ดอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องมีเพื่อที่จะได้สนับสนุนการยกระดับจิตใจจากระดับเทพให้ขึ้นไปสู่ระดับพรหมให้ได้เพราะการจะเข้าสู่ระดับพรหมนี้ ต้องสามารถทําใจให้นิง่งให้สงบให้เข้าสู่รูปฌานหรืออารมูปฌานให้ได้การที่จะเข้าได้นี่ก็จําเป็นที่จะต้องมีการเจริญสติดังนนั้นการไปบวชถึงเ ป, เป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะขึ้นไปสู่ระดับพรหมพรห ม, มโลกและสูงกว่านั้นคือระดับพระอริยบุคคลจําเป็นต้องมีที่สงบ ที่เอื้อต่อการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทุกวันเช้าตั้งแต่ทั้งเช้าทั้งมืดทั้งค่าทั้งกลางวันทั้งกลางคืนจะต้องมีเวลาได้ปฏิบัติเพราะการเจริญสตินี้จาเป็นจะต้องปฏิบัติตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับเท่านั้นที่จะไม่มีการเจริญสติแต่เวลาตื่นขึ้นมาปั๊บต้องรีบเจริญสติทันที วิธีเจริญสติก็มีหลายวิธีด้วยกันกรรมฐานสี่สิบนี้เรียกว่าเป็นวิธีเจริญสติชนิดต่างๆแต่ที่เราได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติกันแบบทั่วไปนี้ก็มักจะมีอยู่สองสามวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งก็คือการเจริญพุทธานุสติให้เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ใจมีงานทา ถ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นคำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธก็ได้หรือการสวดอิติปิโสไปก็ได้อันนี้ถ้ามีการเจริญบริกรรมพุโทโธหรือสวดอิติปิโสไปใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เมื่อใจไม่ลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะมีความรู้สึกตัวตลอดเวลารู้ว่ากําลังอยู่อยู่ในปัจจุบันอยู่กับพุโทโธอยู่กับอิติปิโส หรือวิธีหนึ่งเราเรียกว่าการเจริญด้วยกายกระตาสติใช้ล่างนสดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกิริยาบุในทุกการกระทําเป็นที่ตั้งสติเป็นที่เจริญสติก็ได้ถ้าเราอยู่กับกายตั้งแต่ตืน่นลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็ดูว่าตอนนี้ร่างกายอยู่ตรงไหนอยู่ในท่าไหน อ, อยู่ในท่านอนพอลุกขึ้นมานั่งก็รู้ว่ากําลังลุกขึ้นมานั่ง พอยืนก็รู้ว่ายืนพอเดินก็เดินไม่ไปคิดเรื่องอื่นในขณะที่มีการเคลื่อนไหวให้ดูแต่การเคลื่อนไหวของร่างกายเพียงเดียวไม่ใช่พอลืมตาขึ้นมาเห็นร่างกายนอนก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ไปคิดว่าจะทําอะไรดีจะไปนู่นไปนี่อันนี้เรียกว่าไม่มีสติแล้วถ้ามีสตินี้ต้องไม่คิดนะต้องให้เช้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาร่างกายกําลังทําอะไรก็ให้อยู่กับการทํางานของร่างกายเพียงอย่างเดียว ไม่ปล่อยให้ไปคิดเรื่องต่ตางๆนานาอันนี้จะเหมาะกับผู้ที่ไม่มีงานทําไม่มีทุระที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับใครถ้าคิดก็ น, นิดเดียวคิดว่าเดี๋ยวจะต้องไปลงครัวคิดว่าต้องไปบินสบายก็เท่านั้นเองแล้วก็ไปเตรียมตัวทําหน้าที่ของตนไปแต่ถ้ายังทํางานอยู่เดี๋ยวก็ต้องคิดเรื่องวันนี้ต้องพบปะคนนั้นพบปะคนนี้มีเรื่องนั้นมีเรื่องนี้ให้ทําอย่างนี้ก็จะไม่มีโอกาสที่จะเจริญสติหยุดความคิดได้ เป้าหมายของการยำเลิญสติเพื่อระ ง, งับความคิดอาการที่จะทำให้ใจสงบเข้าฌานได้เข้าสู่สวรรค์ชั้นพรมได้ต้องทำให้ใจนิ่งให้ได้ไม่ให้คิดปุงแต่งให้ได้การที่จะทำให้นิ่งก็ต้องหมั่นเจรลิญสติตลอดเวลาแล้วพอเวลาเรามีเวลาที่จะนั่งสมาธิได้เราก็นั่งหลับตาแล้วก็ถ้าเราใช้บริกา ร, รพุโทโธก็บริกา ร, รพุโทโธต่อไปก็ได้ ถ้าเราใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายพอเรานั่งเราก็เปลี่ยนมาดูการเคลื่อนไหวของลมหายใจเข้าออกอาณาปานาสติอยู่ที่ดูลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วใจก็จะนิ่งได้เข้าสู่ความสงบได้พอใจสงบก็จะได้สัมผัสกับลถแห่งธรรมที่เหนือกว่าลดทั้งปวงและเป็นความสุข ที่ไม่มีอะไรที่จะมาเทียบเท่าอันนี้แหละเป็นเป็นการผลของการปฏิบัติขั้นต้นของการขั้นของการชำระจิตใจให้สะอาดเพราะเวลาใจสงบนี้กิเลสตัณหาโมหะวิชาก็พักตัวไปทำงานไม่ได้เพียงแต่ว่ามันยังไม่หายไปอย่างถาวรเพราะว่ามันถูกกำลังของสติกดไว้ทำให้ใจสงบพอใจสงบกิเลสตัณหาก็ทางานไม่ได้แต่ สติก็ไม่สามารถทําใจให้สงบได้ไปอย่างถาวรไม่ช้าก็เร็วพอสติอ่อนกําลังลงใจก็จะออกมาเคลื่อนไหวต่อเลิกคิดปรุงแต่งคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้พอคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้กิเลสตัณหามันก็จะโผล่ขึ้นมาทํางานต่อทีนี้ก็ถึงขั้นที่สองนะที่เรียกว่าขั้นปัญญาหรือขั้นวิปัสสนาถ้าเราต้องการให้ทําให้กิเลสตัณหาหมดไปถึงแม้ว่าใจยังเคลื่อนไหวอ ย, อยู่ยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ ก็ให้ใจคิดไปในทางที่จะทำให้กิเลสตัณหามันตายก็ให้คิดไปในทางตายรัคิดไปในทางอริยสัจสี่ถ้าเราคิดไปในทางอริยสัจสีเราก็จะรู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราอันในอริยสัจท่านบอกทุกสมุทัยนิโรธมากทุกทุกทุกของใจเกิดจากสมุทยัยก็คือความอยากอยากในกามอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็น เราก็รู้แล้วว่าเราต้องหยุดความอยากหยุดกิเลสตัณหาพอเราหยุดกิเลสตัณหาได้ใจก็ใจก็จกทุกข์ก็จะหายไปใจก็จะพ้นทุกข์ได้จะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาคอยกําจัดกิเลสตัณหาเวลามันโผล่ขึ้นมาด้วยการพิจารณาไตรลักษณ์ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงสิ่งที่เราอยากได้เป็นของไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไปหรือเปลี่ยนไป พอมันจากเราไปเปลี่ยนไปความสุขที่ได้จากมันก็กลายเป็นความทุกข์กลับมาให้เห็นว่าทุกอย่างมันจะทําให้เราทุกข์เราจะได้ตัดความอยากความต้องการต่างๆได้พอเราเห็นด้วยปัญญาต่อไปเราก็จะไม่อยากได้อะไรเพราะเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์เพราะมันไม่ได้เป็นของของเราเราไม่สามารถเก็บมันไว้ให้อยู่กับเราเป็นสมบัติของเราไปได้ตลอดจะต้องมีการพัดภาคจากกันไป ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะตัดความโลภความอยากต่างๆตัดกิเลสตัณหาโมหะาอาวิชชาให้หมดไปจากใจได้ใจก็จะขึ้นจากสวรรค์ชั้นพรหมไปสู่สวรรค์พระอริยเจ้าไปสู่พระนิพพานตามลำดับต่อไปด้วยการเจริญปัญญานี่พอถึงพระนิพพานแล้วความทุกข์ทั้งปวงก็หมดสิ้นไปความทุกข์ที่จะเกิดจากการเกิดแก่เฉีบตายก็หมดไป เพาเมื่อถึงนิพพานแล้วก็จะไม่มีความอยากที่จะไปเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดผู้ที่ไปถึงนิพพานแล้วจะไม่เกิดอีกต่อไปพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็อยู่นิพพานพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็อยู่ที่นิพพานนี่เองไม่ได้สูญหายไปไหนเพียงแต่ท่านไม่กลับมาเกิดท่านก็เลยไม่สามารถมาติดต่อกับพวกเราได้เท่านั้นเอง แต่ท่านไม่ได้สูญหายท่านอยู่อย่างมีความสุขอยู่กับบรล ม, มัสุขนิบานังบัลลังสุขังเพราะอยู่กับความว่างความว่างนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะความว่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือหลักการของการปฏิบัติที่พระเจ้าได้ทรงนำเอามาสั่งสอนให้ก่สัตว์โลกและกาหนดให้สัตว์โลกเริ่มปฏิบัติกันในวันพระกัน ถ้ามีวันพระแล้วทําปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งก็จะได้สัมผัสกับลดแห่งธรรมแล้วก็จะทําให้เกิดมีศรัทธามีความยินดีที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับแล้วต่อไปก็จะสามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มที่แล้วก็เมื่อได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ก็จะได้ผลอย่างเต็มที่ก็คือจะได้บรรลุถึงมากผลนิพพานได้อย่างแน่นอน เพรานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีมีผ้าอาหารหันตสาวกปรากฏขึ้นมาเป็นจํานวนมากปรากฏขึ้นมาเพราะมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่เกิดขึ้นมาโดยความอยากเฉยๆอยากเป็นผ้าอาหารหันแล้วมันจะทําให้เราเป็นน้ำเป็นไปไม่ได้มันต้องเกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติด้วยการละการกระทําบาปสร้างบุญสร้างกุศลดังหลให้ถึงพร้อม ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่นำมาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากลางังเอวันวะอิตุจินงังเปตานางังอุปกปติ อิชีตังปฏติตังสุมหังคิปเมวะสนิจฉตุสัพเพปุเรมตุสังกปาจันโทปัญาวะโสยทังมณิโชติปะโสยทัสสะพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรคนวินัสสตุมาเตภวตวันตาาโยสุขีทีขาโยโภวะ อาพิวาทนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรมรวัานติอายุวันโสุขังภาลังช่วงต่อไปก็ช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยมีเวลาเพียงช่วงนี้ช่วงเดียว เพราะว่าหลังจากที่เราเลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะคุยกันอีกเั้นถ้าอยากจะถามอะไรก็ถามในช่วงนี้ก็ถามเองก็มาที่ข้างหน้านี้จะมีไมโครโฟนให้พูดถ้าไม่อยากจะมาจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือก็ส่งข้อความเข้ามาทางเพจทาง YouTube ก็ได้แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ทีมงานจะนำมามาอ่านวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ บนมัธ ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ทาง a ฟ e บุ๊ k พระอาจารย์มี506ท่าน y o ย t u b บ294ท่านทางด r V Channel อี144ท่านวิดยุออนไลน์7ท่านหนึ่งครับฮา15ท่านผู้รับฟังหน้ากูติ70ท่านรวมทั้งหมดเป็น 1,036 ท่านเจ้าค่ะ okay. ใครอยากจะถามอะไรก็ เชิญได้ช่วงนี้ถ้ายังไม่มีใครถามก็เอาคําถามทางบ้านก่อนแล้วกันเจค่ะคําถามจากคุณนาวินเรียนพระอาจารย์นั่งสมาธิถึงอุเบกขาแล้ววางขันห้าได้แล้วครับพอออกมาจากสมาธิจิตก็เห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาทําบุญได้บุญทำบาปได้บาปแต่ไม่เข้าใจแล้วครับ แต่ก็ยังต้องทำหน้าที่ต่อไปสมาธิแบบนี้เคยเสื่อมมาครั้งหนึ่งครับยังคงต้องทำซ้ำๆอยู่เรื่อยๆเป็นเรื่องปกติใหม่ครับก็ต้องปล่อยวางร่างกายให้ได้ปล่อยวางเวทนาคือความเจ็บปวดของร่างกายให้ได้เวลาร่างกายเป็นอะไรก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่รีตกไม่กังวลคำถามต่อไปจากคุณวราง กับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะมีคนมาบอกบุญต่างๆโดยเราตอบตกลงไปว่าจัดทำบุญนั้นเพราะความเกงใจแต่จริงๆไม่ได้อยากทำบุญนั้นๆและก็ไม่ได้ร่วมบุญนั้นด้วยเราจะผิดศัลจับวาจาหรือไม่และจะมีผลอย่างไรบ้างเจ้าคะก็โกหกเขาต้วเนี่ยถ้าไม่ทำก็บอกไม่ทำเลยบเราจะไปทำของเราเองก็ได้ตอนนี้ไม่สะดวกที่จะร่วมทำกับเขา แต่อย่าไปพูดว่าจะทำเมื่อทำแล้วก็ต้องทำอย่างน้อยบาทหนึ่งก็ยังดีบาทหนึ่งก็ถือว่าไม่โกหกนะงนั้นก็อย่าพูดในสิ่งที่เราจะไม่ทำเพราะมันก็เป็นการหลอกหลอกลวงเป็นการโกหกคำถามต่อไปจากคุณจรัญญา ขออนุญาตฝากคำถามค่ะปฏิบัติมาระยะหนึ่งพบว่าผลของการปฏิบัติจะทำให้เราอยู่ตรงข้ามกับโลกโดยปกติแล้วเราจะเผลอไปโลภโกรธหลง เหมือนทางที่เดินบ่อยๆต้องคอยเบรกตัวเองว่าอย่าเดินไปในเส้นทางนั้นก็จะอารมณ์ดีๆยิ้มๆค่ะและเห็นเส้นทางเดินใหม่ของจิตคือการไม่คิดอะไรเพราะสิ่งที่คิดนั้นล้วนไม่เที่ยงและเป็นทุกข์เพราะชีวิตนี้เป็นทุกข์พยายามอยู่กับลมหายใจหรือไม่ก็ภาวนาพุโทโธค่ะถูกต้องหรือเปล่าเจ้า่ะถูกต้องแล้วก็ทาเจริญสติพยายามหยุดความคิด ถ้าคิดก็อย่าให้ไปคิดไปในทางโลกให้คิดไปในทางธรรมแทนคำถามต่อไปจากคุณลีลาวดีกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเราไปเที่ยวกับเพื่อนเขาดื่มกันเราอยู่ในวงดื่มแต่เราไม่ดื่มเลยเรารู้ว่ามันผิดศีลแบบนี้เราผิดไหมเจ้าค่ะก็ลองง้ไงเราไปคบกับคน <c oughs> ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระเจ้าบออา่อย่าอย่าคบกับคนชอบดื่มชุรา พอคบกับเขาเรา่าชวนเราไปดื่มชื้ราแล้วพอเราไม่ดืม่มมันก็กลายเป็นแกะดำไปถ้ารู้ว่าเขาจะดื่มเุราก็อย่าไปคบกับเขาปฏิเสธไปพอคบแล้วจะมีแต่ขาดทุนเขาก็จะคอยดึงเราไปอบายกับเขานั่นเอง คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณแบมแบมแกราบนมันสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นคุณผิวแห้งบางทีมันคันแสบเป็นขุยถ้าครีมจะเป็นการผิดศีลแปดไหมคะถ้าเป็นการรักษาก็ไม่ผิดถ้าใช้เป็นการรักษาพยาบาลร่างกายแต่ถ้าใช้เพื่อความสวยงามก็ผิดให้ผิวสวยเนียนหน้าดูหน้าชมนี่ก็ผิด คำถามข้อที่สองฝันว่าทำบาปแปลว่าเรายังดีในบาปไหมคะควรทำอย่างไรดีคะก็พยายามทำบุญให้มากกว่าบาปแล้วต่อไปบุญมันจะส่งให้เราฝันดีไม่ฝันเรื่องร้ายฝันบาป คำถามต่อไปกราบน้ัสการพระอาจารย์ค่ะการปฏิบัติต่อพ่อแม่เปรียบเสมือนการปฏิบัติต่อพระอรหันต์สมมุติว่าถ้าคุณปู่คุณย่าเลี้ยงดูเรามาแทนพ่อแม่การปฏิบัติต่อท่านยังเปรียบเหมือนการปฏิบัติต่อพระอรหันต์อยู่ไหมคะเหมือนกันนะกับผู้ประการักคุณทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็มีแม่เลี้ยงเป็นน้ามาเลี้ยงแทนแม่พ่อแม่เสียชีวิตไปเจ็ดวัน ก็เคารพรักเหมือนกับเป็นแม่เป็นคนที่ทำให้เกิดมีภิกษุณีเกิดขึ้นมาเพราะแม่อยากจะบวชเป็นภิกษุณีปกติแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่รับบวชผู้หญิงเป็นภิกษุณีเพราะมันไม่ค่อยจะจะจ ะ, จะสะดวกก็เลยไม่อยากจะมีมีภิกษุณีแต่พอเป็นแม่แล้วก็ผ้านอนก็ทา ว่าเป็นแม่แล้วเขาแม่เขาเลี้ยงประมาณตั้งแต่เด็กกันได้แล้วก็ขอบวชแค่ น, นี้บวชให้เขาไม่ได้เลยก็ <c oughs> เลยต้องบวชให้แต่ต้องมีเงื่อนไขหลายข้อด้วยกันเอแต่นั้นก็เลยมีภิกษุณีเกิดขึ้นมาแต่ก็อยู่ไม่ได้นานหรือแค่พันกว่าปีก็หมดสิ้นไปเพราะมันเป็นของยากสําหรับผู้หญิงที่จะบวชเหมือนเหมือนกับพระด้านมันไม่ใช่ของง่าย แล้มันต้องอยู่ในที่เปี่ยวมันก็เป็นภัยอันตรายต่อก็อยู่ไม่ได้ต้องมีพระต้องอยู่กับพระด้วยนี่พอไปะอยู่ใกล้พระเดี๋ยวพระก็ซวยเ ก, เกิดกิเลสขึ้นมาอกีกพระพุทธเจ้าเลยบอกมันไม่น่าจะมีภิกษุณีในทันทีเป็นสาเหตุไม่ได้รังเกียจ แ, แต่เห็นว่ามันจะทําให้มีปัญหากับทางศาสนาช่วให้อยู่แบบเป็นเป็นแม่ชีเป็นอุบาสิกาก็ได้บวชได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมได้ เพราะถ้าเป็นภิกษุณีแล้วมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากก็เลยไม่อยากจะบวชแล้วก็บวชแล้ว ก, ก็รู้เนี่ยอยู่ไปได้ไม่นานก็หมดหมดเพราะคนที่จะมีศรัทธาต้องมีพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์คอยอยู่ถึงจะให้ใครกำลังใจได้พอถ้าขาดพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วก็ไม่มีใครคอยให้กำลังใจเดี๋ยวมันก็หมดศรัทธากันไป คำถามต่อไปจากคุณสุภตราน้อมกับเรียนถามเจ้าขาพระอาจารย์ลูกเคยไปบทเนคขมมะและนำคำสอนของครูบาอาจารย์มาปฏิบัติที่บ้านมีสดมนภาวนามานานเจ้าค่ะสามีก็ทำตามแต่ตอนนี้สามีกลับเปลี่ยนไปมีสมาคมกินดื่มกับเพื่อนและไม่อยากให้ลูกทำบุญและปฏิบัติธรรมเลยอันนี้มันเป็นกรรมของลูกหรือเจ้าขาพระอาจารย์ ก็เป็นเป็นการที่เราไปโคบกับคนที่เขาไม่ชอบธรรมะเราก็ถ้าเรายังรักธรรมะอยู่เราก็ต้องเรียกว่าจะเอาเขาดีหรือเอาธรรมะดีถ้าเรายังรักธรรมะมากกว่าเขาเราก็แยกกับเขาไปเขาอยากจะกินดืม่มก็ปล่อยเขาไปกินดื่มของเขาเราก็ขอไปทางธรรมของเราไปเราแก้ได้มันปัญหา อยู่ที่ว่าใจเรามีความเข้มข้นมีความกล้าหาญที่จะเลือกทางหรือไม่ถ้าเรายังอ่อนแออยู่เราก็ยังอาจจะแยกทางเขาไม่ได้ถ้าแยกไม่ได้เราก็โอกาสที่จะไปเจริญทางธรรมก็จะไม่มีว่าจะถูกเขาฉุดดึงไปในทางทางโลกทางอบายแทนคํถาถามต่อไปจากคุณวราง กราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะรูปภาวนาพุทโธพุทโธบางครั้งเหมือนจะไม่หายใจหรือหายใจเบามากๆแต่รู้สึกสงบสบายสบายหมายถึงอย่างไรเจ้าคะก็แสดงว่าจิตค่อยค่อยๆสงบลงแล้วแต่ยังไม่สงบเต็มที่ก็ภาวนาต่อไปดูลมไปพุทโธไปเรื่อยจนกว่ามันจะตกจิตมันจะตกลงเข้าผวังตกจากที่สูงลงมาแล้วก็เน่งสงบ ้้าตตตตนนันก็ไไมม่่อองทํะะรรีแสิปคับปประครระอองงให้มนนนนิ่ไนานาน่ไาตำถามจากคุณพุโทโธกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับเวลานั่งสมาธิจิตไปปรุงแต่งเรื่องอื่นเลยกลัวขึ้นมาบางทีพุโทโธไม่ไหวครับแก้อย่างไรดีครับถึงจะส ง, งบก็พุโทโธเรามันไม่พอเนี่ยก็ต้องพยายาม ขยันพุทธโธไว้อย่าหยุดพุทธโธถ้าขยันพุทธโธไปสักพักหนึ่งเดียวความกลัวต่างๆก็จะหายไปถ้าไม่พุทธโธก็ช่วยไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณนาวาพระอาจารย์คะครอบครัวมีพี่น้องหลายคนพ่อแม่ให้ที่ดินเพิ่มแก่ลูกคนกลาง หนูไม่รู้สึกอิจฉาไม่รู้สึกว่าพ่อแม่ลำเอียงเพราะคิดว่าสมบัติของท่านใจ ใ, ใครก็ได้แต่พอเรื่องการดูแลแม่ลูกทุกคนให้เงินท่านใช้ยกเว้นลูกคนโตที่เขาก็มีเงินแถมยังมาเกาะแม่กินแม่ก็ตามใจเขาอีกทําไมเหตุการณ์นี้หนูถึงรู้สึกไม่พอใจว่าแม่ลำเอียงเข้าข้างแต่ลูกคนนี้หนูพยายามแกะกิเลสในใจ ขอพระอาจารย์เมตตาแนะนำสั่งสอนด้วยเจ้าค่ะก็ให้เรามองว่าแม่อาจจะเป็นนี่กับลูกคนนี้มากกว่าเป็นนี่ของเราก็ได้ในชาติก่อนอาจจะเป็นนี่กัน น, นี่บุญคุณกันมาพอชาตินี้ก็เลยต้องใช้นี่ให้กับลูกคนนี้มากกว่าให้กับกพวกเราเราอาจจะไม่มีเป็นเป็นนี่เป็นอะไรกันก็เลยไม่มีความรู้สึกที่ว่าจะต้องเลี้ยงดูเป็นพิเศษ แต่ลูกคนต่อนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าเคยเป็นนี่เป็นนายกันมาเลยมีความจําเป็นที่จะต้องเลี้ยงดูเขาเป็นกรณีพิเศษก็ถือว่าเป็นเรื่องของแม่ไปนะก็เหมือนที่เมื่อกี้หนูบอกว่าเวลาแม่จะใหส้สมบัติที่ดินให้กับคนอื่นก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะเป็นสมบัติของแม่อันนี้ก็เหมือนกันมันก็เป็นบุญเป็นกรรมของแม่ที่เขาจะต้องปฏิบัติกับลูกคนอื่นที่ไม่เท่าเทียมกัน สำหรับเราแล้วก็ขอเราคิดว่าเพียงแต่ให้เราเออกมาจากท้องแม่ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นคุณพอแล้วมไม่ต้องการอะไราจากแม่มากไปกว่านี้การที่ท่านให้เรามาเกิดได้ให้เราเลี้ยงดูเราจนทั้งเราโตเลี้ยงดูตัวเราเอง น, นี่ก็เป็นบุญโน้นฟ้าแล้ะท่านจะไม่ให้เราอีกก็ไม่เป็นว่าอะไร<ม>เปรียบกับคนที่พ่อแม่เขาไม่เลี้ยงดูแต่<ม>ใช่ไหมเราดีกับคนอื่นต้องยอเอยอะแยะคนที่พ่อแม่ไม่เลี้ยงดูกับคนที่ท่านเลี้ยงดูนี่มันต่างกันไหม แังนั้นเราถือว่าเราได้รับความเอ็นดูได้รับความความเมตตาจากท่านอย่างเต็มที่อยู่แล้วดังน<ม>ั้นในกรณีอย่างอื่นนี่ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องของบุญกรรมไปเรื่องของการใช้หนี้กันไปบางทีท่านอาจจะมีหนี้กับคนนั้นต้องตอบแทนบินคุณเขาก็เลยท่านก็เลยต้องทําแบบนั้น คำถามต่อไปจากคุณสวาวลักษ์กราบนามัสการพระอาจารย์การนั่งสมาธิภาวนาพุโทโธจนพุโทโธหายไปแล้วเหมือนตัวเราก็หายไปแล้วมารู้สึกอีกทีอีกครั้งตอนเราลืมตาเป็นเพราะอะไรคะจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อเจ้าคะ่ะหลับเพราะหลับสติหมดทุกอย่างก็หายไปหมดตอนลืมตาขึ้นมาก็ตื่นน่ะกลับมา กถ้านั่งหลับแบบนี้ก็อย่าเพิ่งนั่งลุกไปเดินจนมกรมดีกว่าต้องมีสติมีพุโทโธตลอดเวลาอย่าปล่อยให้พุโทโธหายไปคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบธรัสการเรียนถานเจ้าค่ะกรณีที่แม่เอาลูกไปขายหรือทำลายลูกที่เกิดอยู่ในสังคมในขณะนี้เยอะมากยังถือว่าแม่เป็นผ้ารนของลูกอยู่ไหมเจ้าค่ะ สำหรัลูกก็ยังต้องคิดว่าเป็นพ่อหารอยู่เพราะว่าอย่างน้อยก็ให้กําเนิดมาให้มีโอกาสได้เกิดแต่ถ้าแม่ทําแท้งซะก่อนนี้ก็ไม่ถือว่าแม่เป็นพ่อหลานของลูกแล้วเพราะแม่ฆ่าลูกลูกก็ไม่มีหนี้บุญคุณกับแม่แต่ถ้าแม่เลี้ยงดูเก้าเดือนอยู่ในท้องแล้วปล่อยคลอดออกมาแล้วเลี้ยงดูต่อไปถึงแม้ว่าจะเอาลูกไปขายนี้มันก็ยังแม่ก็ยังมีบุญคุณกับลูกอยู่ เห็นลูกก็ยังต้องถือว่าแม่มีพระคุณ น, นี่อาจจะเป็นเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจหรือการกินกินอยู่มันแรนแคนมันเลี้ยงไม่ได้ก็ต้องเอาไปขายนี่ก็จาเป็นถ้าอยู่ก็อดตายถ้าไปขายกับคนที่เขาเอาไปเลี้ยงต่อก็อาจจะอยู่ได้ต่อไปให้เรามองในแง่บวกอย่าไปมองแต่ในแง่ลบแม่จริงๆไม่มีไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูก เพีนแต่ว่าบางทีภาวะมันคับขันเก็บเลียเก็บลูกเลี้ยงไม่ได้ไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงมีคนที่เขามีปัญญาดีกว่าเอาไปเลี้ยงให้อยู่ดีกินดีกว่าก็ให้เขาไปดีกว่าดีกว่าอยู่แบบอดอดอด่น อ, อ, อยา่างย า, ยาคำถามต่อไปจากคุณเด็กน้อยกราบนมัาการถามครับพระโสดาบันต้องวางทุกเวทนาวางกาย วางความกลัวตายใช่ไหมครับเออใช่อย่าไปกลัวตายอย่าไปกลัวความเจ็บคข้ได้ป่วยต้องยินดีต้านรับออมาแล้วเหรอกาลังรอเธออยู่นี่ เ, ออเกิดมานี่รู้แล้วเดี๋ยวเธอจะต้องมาแน่ๆเมื่อไหร่จะมาสักทออีจะได้รู้ว่าออกลัวหรือไม่กลัวออถ้ากลัวแสดงว่ายังไม่ผ่าน เ, ออเป็นข้อสอบต้องยินดี ถ้าเราอยากจะเป็นโสดาบัณเราต้องดีใจเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจะตายนต้องดีใจว่ามีข้อสอบให้ทำํำนะเราจะได้ทดสอบใจของเราว่ากลัวหรือไม่กลัวถ้าไม่กลัวสแสดงว่าเราผ่านเราสบายถ้ากลัวสแสดงว่าเรายังสอบตกอยู่ต้องรีบไปภาวนาให้มากขึ้นต้องพิจารณาตายรักให้มากขึ้นคําถามต่อไปจากคุณเด็กน้อย พระอนาคามีต้องวางการราคะใช่ไหมครับวางความรักลูกเมียในขั้นไหนครับ อ, อ๋อคือต้องไม่ไม่มีความอยากจะเสพการไม่มีความอยากจะร่วมหลับนอนกับใครเพราะเห็นร่างกายว่าเป็นซากศพ บ, บ้างว่าเป็นอาการสาสิบสองบ้างเห็นอาการสาสบสองที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเห็นโครงกระดูกเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้ ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วการอารมณ์มันก็จะหายไปยังไม่มีคาถามเข้ามาเจ้าค่ะโอเคมีใครจะถามหรอือเปล่าเข้ามาเข้ามาใกล้ๆหน่อยมีไม่กรโฟนให้้หพูดขอญาตเรียนถามมาสองคำถามนะครับคาถามแรกเนี่ยคนที่ฆ่าตัวตายครับจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาหลังความตายครับก็ไปนรกก่อนกนะ็เหมือนกับฆ่าคนอื่นนะ การฆ่านี้ไม่ว่าจะฆ่าคนอื่นหรือฆ่าตัวเองก็ถือว่าบากเหมือนกันก็เราไปใช้กรรมในการกบก่านเคยได้ยินบอกว่าจะต้องฆ่าตัวตายอีกห้ารอยชาติอันนี้<ต>จริงไหมครับพ้อกรรมเมืเกิดมันก็จะมาแก้ปัญหาแบบเดิมเ่งพอมาเกิดแล้วมาเจอความทุกข์แก้ไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายใหม่เพราะมันเป็นนิสัยแล้วเขาจะพ้นจากตรงนี้ด้วยเหตุปัจจัยอะไรครับก็ต้องมาเจอพุทธศาสนาหรือคนสอนว่าอย่าฆ่าตัวตายให้มาฆ่ากิเลสแทน เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนองค์คุลิมอนอย่าไปฆ่าคนอื่นให้ฆ่ากิเลสพอฆ่ากิเลสกัมมันุเป็นพระละหันได้ก็พ้นได้ครั บ, รบแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับในการเป็นโสดาบันนะครับข้อที่สามที่เรื่องของศีลพระธรรมปรามาสครับอยากให้ท่านอาจารย์อธิบายตรงนี้ครับคือศีลพระธรรแปลว่าการรูปความเสีงด้วยความไม่ไม่ไม่เข้าใจในกฎแห่งกรรมว่า ความทุกข์ของเรานี้เกิดจากการกระทำบาปศาสนาพราหมณ์โสดาบันนี้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านจะเห็นกฎแห่งกรรมท่านจะเห็นว่าเวลาคิดดีพูดดีทดําดีใจมีความสุขเวลาคิดบาปคิดไม่ดีทําไม่ดีใจจะทุกข์ท่านก็จะไม่แก้ปัญหาเวลาที่ท่านไม่สบายใจท่านก็จะรู้ว่ามันเกิดจากการทําบาปของท่านคิดไม่ดีท่านก็มงเปลี่ยนความคิดหยุดความคิดไม่ดีไป ความทุกข์ก็จะหายไปไม่ต้องไปทําพิธีกรรมต่างๆคนบางคนไม่สบายใจก็ไปหาหมอดูบ้างไปดูดวงบ้างไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนานามสกุลบ้างอันนั้นเาเรียกสีรับพตะพละว่าก็ยังไม่เห็นว่าความไม่สบายใจของเรานี่เกิดจากความคิดของเราเองคิดไม่เป็นคิดไปทางความโลภความอยากคิดไปทางกิเลสมันก็เลยทําให้ทุกข์พอหยุดความคิดได้มันก็จะไม่ทุกข์ ไม่ต้องไปทําพิธีกรรมอะไรต่างๆเห็นไหีลับพระตาก็คือการไม่เชื่อในพิธีกรรมต่างๆก็ได้อันนี้บางทีก็แอบอย่างนั้นคนที่เป็นโซดาบันนี้จะไม่ไปไปดูดวงไปเปลี่ยนชื่อไปหาหงจุย้ยอะไรต่างๆนี้ไม่ไปทําพิธีเดาะเคาะหรืออะไรต่างๆเพราะเคาะมันเกิจก ด, ดกกจากความคิดไม่ดีของตัวเองทุกเกิดจากความคิดไม่ดีก็มาแก้ที่ความคิดนีด้เลยอย่าไปคิดทงรูปความโกรธความหลงแล้วใจก็จะไม่ทุกข์ แล้วนะพระอริยะบุคคลทุกคนก็จะรักษาศีลยย่งงแบบชีวิตมีปัญหาอะไรก็ยังต้องรักษาศีลไม่ไปฆ่าตัวตายไม่ไปฆ่าตัวตา ย, ตตายอเอากลับไปส่งไปกรับนรมาสการ์พระอาจารย์เจ้าค่ะจะกลับถามว่าถ้าเกิดเราเป็นคารวะยังต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่แตัว่า คือเรายัางเป็นคารวะที่ยังต้องทํางานปฏิบัติหน้าที่ดูแลคนในบ้านอยู่แต่ว่าเราตั้งเป้าว่าเราอยากจะเป็นปฏิบัติไปทางบัณค น, นิพานทีนี้พระเาจาบอกว่าจะต้องถือศีลแปดจะต้องออกบวชถ้ายังทําอย่างนั้นไม่ได้เราควรทําได้แค่ไหนเจ้าค่ะก็ซ้อมไปก่อนทําเฉพาะวันพระไปก่อนวันพระขอวันหนึ่งขอว่า ข, ขอไปอยู่ไปบวชวันหนึ่ง ถ้าถ้าวันพระเราเราเปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์ได้ไหมใช่นั่นแหละถึงบอกเปลี่ยนวันที่เราไม่ทํางานไงก็ได้ใช่ไหมใช่ก็คืออย่างน้อยต้องถือศีลแปดบ้างอต้องถือศีลแปดอาทิตย์ละครั้งไปปฏิบัติไปนอนอยู่วัดสักวันอยู่ห่างไกลจากครอบครัวกับทุกคนอ๋อแต่ว่าโยงออกมาอยู่คนเดียวเลยเพื่อปฏิบัติก็อยู่บ้านตัวเองก็ได้ได้แล้วเราถือศีลเจ็ดได้ไหมเ้าค่ะศีลเจ็ดก็ได้ไม่ครบเลยก็เรายังต้องทํางาน ต้องแต่งตัวไปทํางานแต่ว่าันไม่ทํางานเนี่ยให้ทําวันไม่ทํางานอ๋อแต่วันอื่นเราก็ถึงถือสห้า<ป>ก็พอเจ้าค่ะถ้าจะถือสิบเจ็ดก็ได้ไม่ห้าถือสิบเจ็ดก็ง่ายอยู่เจ้าค่ะโอเคก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าต้องถ้าจะปฏิบัติตั้งถือสิบแปดวันที่เราไม่ไปทํางานแล้วก็ถือสิลแปดเจ้าค่ะขอพบพระคุณเจ้าค่ะทําไปก่อนนะเดี๋ยวพอมีกําลังมากขึ้นเหมือนก็อยากจะทํามากขึ้นไปเองมันก็จะลดงานลงไปเรื่อย ดีไม่ดีก็ลาออกจาก ง, งานเลยรู้ทำไปทำไมคนเจลาหาสติคนง้หาสตาังมีคำถามจากคุณสาวลักษเจ้าค่ะกราบอาจารย์อนาปนสติกับวิปัสสนากรรมฐานต่างกันอย่างไรเจ้าคะาอนาปนสติเป็นการเจริญสมถะภาวนาเป็นการทำใจให้สงบ วิปัสสนาภาวนาและกรรมฐานเป็นการสอนให้เกิดปัญญาเกิดความฉลาดให้เห็นไตรลักษณ์เห็นอริยสัจสีต่างกันอนาปานะเป็นระดับสมาธิวิปัสสนาเป็นระดับปัญญาคำถามจากคุณประชาถ้าพูดโกหกเพื่อให้เกิดผลดีและได้ผลดีจริง ทำไปแล้วจะได้ทั้งผลทั้งบาปหรือบุญจากผลล้วนๆครับ อ, อทางใจมันก็มันก็ขาดทุนเนอะใจมันก็จะเข้าสู่อาบายไปเลื่อนลงไปสู่อาบายทางโลกอาจจะร่ำรวยขึ้นดีขึ้นแต่มันก็แค่ชั่วคราวพอตายไปมันก็หมดไปแล้วใจก็ต้องไปรับผลบาป ท, ที่ทําไว้ต่อไป